วิปัสนานุบาลบทที่สการฝึกหายใจเพื่อยกระดับสติบทนี้เรามายกระดับสติขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยวิธีสังเกตลมหายใจที่ต่างไปนั่นเองคุณไม่ต้องลำบากลำบนฝึกดัดตัวแบบโยคะให้ยุ่งยากเพียงแค่ทราบว่าจะสังเกตลมหายใจอย่างไรก็พอ เอาเดี๋ยนี้เลยก็แล้วกันถ้าให้ถามตัวเองว่าลมหายใจสุดท้ายที่ผ่านมาเป็นสั้นหรือยาวหากตอบไม่ถูกแปลว่าสติของคุณไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจและมีความโน้มเอียงว่าจะเป็นลมสั้นทั้งนี้ก็เนื่องจากสติของคุณใช้เป็นในการตามอ่านหรือฟังข้อความบนหนาหนังสือนั่นเอง ตามมาถึงตรงนี้จะเห็นว่าทันทีที่มีข้อความส ก, กิดให้สังเกตลมหายใจของคุณจะยาวขึ้นทันทีทั้งที่ยังไม่ได้ละสายตาไปจากหน้านังสือทั้งนี้เพราะเมื่อมีอะไรมากระตุ้นให้เกิดสติระลึกถึงลมหายใจสตินั้นจะปรุงแต่งลมให้ยาวขึ้นโดยอัตโนมัติตรงนี้ขอให้สังเกตด้วยว่าในทางกลับกัน คนเราจะมีสติรู้ลมหายใจก็ต่อเมื่อลมยาวเท่านั้นแต่ลมสั้นไม่ค่อยรู้หรือไม่รู้เอาเลยระหว่างที่อ่านหรือฟังบรรทัดนี้คุณหายใจเข้ายาวหรือว่าสั้นยาวคือรู้สึกบอกตัวเองว่ามันลากยาวอาจจะเท่ากับหรือมากกว่าเมื่อครู่ ส่วนสั้นคือรู้สึกว่าหดลงจนสังเกตยากหากถูกถามแล้วลากลมหายใจเข้าลึกขึ้นกว่าปกติก็ไม่เป็นไรแต่เอาแค่ทีเดียวอย่าพยายามหายใจลึกๆติดกันหลายๆทีเพราะการฝืนหายใจลึกๆหรือทีๆไม่ใช่การยกระดับสติแต่เป็นการกดคุณภาพสติให้ตกต่ำลง เมื่อทราบว่าย่อหน้าที่แล้วหายใจยาวหรือสั้นลองถามตัวเองอีกว่าระหว่างอ่านหรือฟังย่อหน้านี้ยังยาวอยู่หรือไม่อย่าเสียใจถ้าสั้นลงอย่าดีใจถ้ายาวขึ้นเพราะแนวปฏิบัินี้ไม่มีอะไรผิดหรือถูกมีแต่เห็นว่ากำลังปรากฏอะไรให้สังเกต ร, รู้ตามจริงเท่านั้น จะเห็นว่าคุณอาจพักการอ่านหรือฟังชั่วแว บ, บเล็กๆ เ, เพื่อรู้ลมหายใจได้โดยสายตาแทบไม่ต้องละไปจากหน้ากระดาษแต่อย่างใดกล่าวคือเมื่อรู้ลมหายใจสติอาจขาดไปจากตัวหนังสือและความหมายที่มากับตัวหนังสือชั่วระยะเวลาสั้นๆแต่พอรู้ลมเสร็จ สายตาหรือหูก็กลับมาจดจอกับข้อความต่อได้อีกและสามารถรู้เนื้อความในหนังสือสืบเนื่องกันเป็นสายน้ำด้วยการระลึกรู้ลมหายใจเป็นพักๆไม่ได้รบกวนงานที่ทำอยู่ตรงหน้ามีใช้ทำงานสองอย่างพร้อมกันให้ขาดสติเพราะแม้ทำงานโดยไม่ระลึกรู้ลมหายใจ สติของคนทั่วไปก็ขาดตอนเป็นประจำอยู่แล้วหากคุณฝึกที่จะถามตัวเองด้วยสติธรรมดาธรรมดาเช่นขณะอ่านหรือฟังหนังสือย่อหน้าหนึ่งนงนั้นคุณหายใจยาวหรือสั้นหรืออาจกลายเป็นตัวอย่างของสติระหว่างการทำงานและวิธีเดียวกันนี้ช่วยให้การทำงานของคุณ ได้รับการยกระดับขึ้นกว่าเคยหลายเท่าด้วยซ้ำถึงย่อหน้านี้คุณควรเริ่มรู้สึกถึงความสงบและมีจิตใจฝักใฝ่ที่จะรับรู้ลมหายใจมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นลมหายใจยาวจะทราบชัดเป็นพิเศษและเมื่อทราบชัดเป็นพิเศษ ก็ปล่อยให้กายดึงลมยาวขึ้นกว่าปกตินี่คือธรรมชาติการทำงานของจิตขอเพียงมีเป้าให้ปักใจลงไปเป้านั้นจะเริ่มชัดขึ้นตามลำดับเพราะใจฝากไยกับสิ่งใดยอมรู้เข้าไปในสิ่งนั้นลึกซึ้งและกว้างขวางตามเวลาที่ผ่านไปพอสติดีขึ้น ก็ปรุงกายให้มีคุณภาพดีตามอย่างเช่นที่เห็นได้จากลมหายใจยาวกว่าธรรมดานี่เองเมื่อมาถึงย่อหน้านี้หากลมหายใจของคุณสั้นลงแล้วยังสามารถรู้ได้ชัดว่าลมหายใจกำลังอยู่ในช่วงสั้นแปลว่าจิตของคุณเกิดภาวะผู้รู้ ผู้เฝ้าดูลมหายใจทั้งปวงแล้วกล่าวคือหายใจออกก็มีสติรู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าก็มีสติรู้ว่าหายใจเข้าหายใจยาวก็มีสติรู้ว่าหายใจยาวหายใจสั้นก็มีสติรู้ว่าหายใจสั้นคุณจะเห็นสภาพจิตตัวเองแปลกไป คือในขณะหายใจจะเหมือนรับรู้เข้ามาในขอบเขตทางกายได้ชัดขึ้นกว่าเดิมครอบคลุมกว้างขวางกว่าเดิมณจุดนี้ขอให้สังเกตว่าถ้าขณะหายใจเข้าคุณพองหน้าท้องออกนิดหนึ่งสติที่กำลังดีจะทำให้เกิดความรู้ขึ้นเองว่า หายใจยาวด้วยอาการพองหน้าท้องอย่างไรจึงสบายปล่อยลมออกจากอกอย่างไรจึงยังคงรักษาความสบายไว้ได้ในระดับเดิมอยู่อีกที่ย่อหน้านี้ขอให้สังเกต ด, ดูว่าความสบายนั้นมีอายุไขสั้นยาวเพียงใดบางคนสบายแค่ช่วงหายใจเข้า บางคนอาจสบายแค่ช่วงหายใจออกบางคนสบายได้ตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าและจนออกสุดอย่าไปให้ความสำคัญว่ามันยาวแค่ไหนขอให้รู้แน่ๆตามจริงก็แล้วกันการเข้าไปรู้ถึงความสบายหรือความอึดอัดตามจริงนั้น เรียกว่าคุณได้ทราบชัดในสิ่งที่ละเอียดกว่าลมหายใจแล้วนี่เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของวิปัสสนาคือมีสติรู้ไล่จากสิ่งหยาบไปหาสิ่งละเอียดเพื่อความตระหนักยิ่งยิ่งขึ้นว่าทั้งภาวะหยาบและละเอียดนั้นต่างก็เป็นสิ่งมีอายุขทั้งสิ้นไม่น่ายึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้น ควรอาศัยเป็นเครื่องระลึกรู้เท่านั้นหากสายตาละจากหนังสือแล้วคุณยังรู้สึกว่าสติไม่ไปไหนยังคงปักหลักอยู่กับการรู้ว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกรวมทั้งทราบด้วยว่าความสบายเกิดขึ้นนานเพียงใดวัดได้ด้วยจำนวนลมหายใจกี่ครั้ง ตรงนี้เรียกว่าระดับสติพัฒนาจากการเห็นรูปธรรมาตามจริงเลื่อนขั้นขึ้นมาเห็นนามธรรมาตามจริงด้วยแล้วการทำวิปัสสนานั้นสําคัญมากที่เราจะต้องเห็นทั้งรูปและนามเพราะถ้าเห็นรูปอย่างเดียวก็จะรู้ตามจริงส่วนเดียวและยังไม่รู้จริงอีกส่วนหนึ่ง ในทางกลับกันหากเห็นนามอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอต้องเห็นรูปด้วยจึงจะเรียกว่าเห็นตามจริงได้ครบถ้วนวิปัสสนาที่ดีและมีคุณภาพนั้นควรเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอพูดง่ายๆว่าให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ควรตั้งใจบังคับให้เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะสำหรับมือใหม่เพราะนั่นอาจเป็นการฆ่าตัวตายบนเส้นทางวิปัสสนาเสียตั้งแต่แรกเริ่มการรู้เหมือนทำเล่นยามว่างแต่ทำบ่อยเหมือนงานอดิเรกชิ้นโปรดที่สุดในชีวิตจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความคืบหน้าไปเรื่อยๆคุณจะพบว่าตัวเองเริ่มฝักใฝ่ลมหายใจ และมีความสังเกตสังกาเกี่ยวกับความสบายกายสบายใจมากขึ้นเพราะเห็นด้วยสติรู้ตามจริงว่าการเข้ามากำหนดดูอยู่ในขอบเขตกายใจนั้นมีแต่ด้านที่เป็นคุณมีแต่ทำให้นิสัยทำร้ายตนเองและทำร้ายคนอื่นลดลงทุกทีตอนยังไม่เริ่มลงมือจะมองไม่ออกเลยว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไร แต่ขอให้ทดลองเถอะเพียงไม่กี่วันจะทราบด้วยตนเองว่าวิปัสสนามีค่ากับชีวิตอย่างมหาศาลปานใดภาวะรู้ชัดว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่นั้นไม่มีความน่าเบื่อไม่มีความรู้สึกอึดอัดหากฝึกระหว่างอ่านหรือฟังบทนี้แล้ว เบื่อหน่ายหรือรู้สึกอึดอัดขอให้ใช้ย่อหน้านี้เป็นหลักตั้งต้นใหม่นับหนึ่งใหม่โดยการสังเกตว่าคุณตั้งใจหรือคาดหวังมากเกินรู้เล่นเล่นสบายสบายหรือเปล่าสติที่พอดีกับการรู้ลมหายใจปัจจุบันเกิดขึ้นจากการกำหนดว่าจะรู้ได้เท่าที่รู้ ถ้าหากอยากรู้เกินกว่าจะรู้ได้ผลคือความอึดอัดรู้สึกเคร่งเครียดและไม่อยากาพาดเพียงทำต่อไปให้มากกว่านี้อีกในทางตรงข้ามหากค่อยๆรู้ขึ้นมาจากระดับที่พอดีกับสติของตัวเองจะเกิดความสบายสงบหรือกระทั่งสว่างสดใสรู้สึกสนุกจะกลายเป็นกําลังใจให้อยากมุมานะ เพื่อความก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกแม้วางหนังสือลงแล้วก็ยังไม่อยากเลิกสรุปบทนี้เราใช้ข้อความในหน้าหนังสือเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้คุณเกิดสติรู้ลมหายใจขึ้นมาตรงๆและการรู้ลมหายใจตามหลักวิปัสสนานั้น ไม่ใช่แค่รู้ทื่อๆว่ากำลังหายใจแต่ให้รู้ด้วยว่าหายใจออกหรือหายใจเข้าหายใจยาวหรือหายใจสั้นคนเราจะรู้แค่ลมหายใจยาวส่วนลมหายใจสั้นไม่รู้บทนี้ช่วยชี้ให้คุณดูว่าหากรู้แม้กำลังหายใจสั้น ก็จะทำให้เกิดสภาพสติสัมปชัญญะระดับใหม่ขึ้นมาสติสัมปชัญญะที่สามารถรู้ครอบคลุมกว้างขวางทั้งภาวะยาวสั้นหยาบละเอียดได้อย่างต่อเนื่องนี้เองที่เราต้องการอย่างยิ่งยวดในงานวิปัสสนาขั้นสูงขึ้นต่อๆไป